บทที่สิบเก้าลิ้นคนายวินเนตาเมื่ออโศกจากนครปาตาลิบุตรไปแล้วเธอมีแต่ความคำนึงถึงไม่ว่างเว้นวันนี้เธอได้ทราบด้วยตนเองแล้วว่าการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักนั้นเป็นความทรมานเพียงใด จะเดินจะนั่งหรือจะนอนก็มีภาพของคนรักคอยฉาบฉายเข้ามาในความรู้สึกอยู่เสมอเธอไม่ทราบดอกว่าเวลานี้อโศกอันเป็นที่รักของเธอกำลังลุ่มหลงอยู่ด้วยบุคคลใดเธอคิดตามประษาหญิงที่ยาวต่อโลกและชีวิตว่าเมื่อเราคิดถึงเขารักเขาเขาก็คงคิดถึงเราและรักเราเหมือนกัน เรื่องนี้อาจจะใช้ได้ในระหว่างมิตรภาพและความรู้สึกทั่วๆไปแต่ในเรื่องความรักระหว่างเพศนั้นเกือบจะใช้ไม่ได้เอาเสียเลยจริงทีเดียวในความสัมพันธ์ระหว่างเพศนั้นความรู้สึกคอยจะหลบหลีกกันอยู่เสมอเมื่อฝ่ายหนึ่งรักอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สมัครใจเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายฝันหาอีกฝ่ายหนึ่งก็มักจะเลี่ยงหนี หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือคนที่เขารักเราเราไม่ค่อยจะสนใจต่อเขาแต่คนที่เรารักเขาเขาก็ไม่ค่อยให้ความหวังแก่เราความรักระหว่างเพศคอยจะหลีกเลี่ยงกันอยู่เยี่ยงนี้มีน้อยเหลือเกินที่ความรู้สึกจะไปตรงกันข้าเมื่อใดความรู้สึกตรงกันข้าวเมื่อนั้นย่อมหมายถึงการร่วมชีวิตการแต่งงานการผูกพัน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นเชือกที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากเพราะในความผูกพันนั้นมีความสมัครใจความสมยอมอยู่ด้วยเหมือนบุคคลพอใจบริโภคอาหารมีรสเผ็ดแม้จะรู้สึกว่าเผ็ดก็ยังพอใจดังนั้นแม้วินตาจะทราบว่าการคิดถึงอโศกเป็นความทรมาน แต่ในความทรมานนั้นก็ยังมีความหวังอยู่ด้วยก็ความหวังนี่เองเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงดวงใจน้อยๆของเธอให้อดทนและรอคอยเมื่อขบวนเกวียนจากนครตะกศิลามาสู่นครปาตลีบุตรเธอจะให้คนใกล้ชิดไปคอยถามข่าวเรื่องอโศกอยู่เสมอแต่เธอก็ไม่ได้รับข่าวอะไรจากการไปของอโศกเหมือนท่อนไม้เล็กๆ ซึ่งคลื่นซัดสา์ลงมหาสมุทรเธอได้แต่เฝ้าคอยอยู่ริมตลิงว่าเมื่อไรคลื่นจะซัดสา์ท่อนไม้นั้นกลับคืนมาวันเวลาล่วงไปความคิดถึงเกาะกินหัวใจของเธอให้ลึกลงตามแต่เธอก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรความรู้สึกของหญิงเป็นความรู้สึกยากที่ใครจะเข้าใจได้โดยง่ายมันเหมือนคลื่นใต้น้า แม้วินเนตาจะสู้ผอมลงบ้างแต่เธอก็มีความงามในเรือนร่างและผิวพรรณอยู่ไม่น้อยเจ้าชายสุสิมะเข้ามาตีสนิทด้วยวินเนตาความจริงเจ้าชายสุสิมะหวังในตัววิเนตาอยู่แต่หญิงสาวไม่สู้จะชอบลักษณะของเขานะักความเห็นแก่ตัวความคิดเอาตัวรอดโดยป้ายสีความเสียหายให้ผู้อื่น ซึ่งมีอยู่ในตัวเจ้าชายสุสิมะนั้นเป็นเรื่องที่วิเนตาระอิระอาแต่เนื่องจากทรงเป็นมกุฎราชกุมารซึ่งวิเนตาจะต้องเกรงพระทัยนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อสนทนาด้วยเจ้าชายสุสิมะก็มีโอกาสจะพูดถึงอโศกบ้างจริงทีเดียวการได้พูดถึงคนอันเป็นที่รักกับใครสักคนหนึ่ง เป็นความชื่นสุขของผู้ซึ่งตกอยู่ในห้วงรักการที่สตรีบางคนยอมตีสนิทกับเพื่อนชายของคนรักแห่งตนจุดประสงค์ก็เพื่อได้พูดถึงคนอันเป็นที่รักบุรุษก็เป็นเช่นเดียวกันแต่บางคนก็ระแวงจนเกินเหตุจึงมักเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันในเรื่องทํานองนี้อยู่บ้างมนุษย์เราย่อมจะอิ่มเอิม เมื่อได้พูดถึงสิ่งหรือบุคคลอันเป็นที่รักและภูมิใจฟังไปเถิดฟังไปอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนึกซิว่าทําตนเป็นเครื่องรองรับการระบายสู่ความสุขแห่งเขาเป็นการทําความดีแก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักนอกจากหัดอดทนเสอย่างเดียวและในความอดทนนั้นยังได้ทราบเรื่องอะไรดีๆอีกด้วย เมื่อเขามีความทุกข์ก็เช่นกันมนุษย์เราอยากได้ใครสักคนหนึ่งซึ่งยอมรับรู้ในความทุกยากของเขาบางทีเขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาต้องการเพียงให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับรู้ในความทุกยากลำบากของเขาเท่านั้นดังนั้นเราจึงมักจะได้ยินใครต่อใครมารบายความกลุ้มอกกลุ่มใจให้ฟัง แล้วเขาก็จากไปด้วยความรู้สึกเบาสบายราับใดที่มนุษย์ยังยอมเป็นทาสแห่งอารมณ์ยังไม่เป็นนายของตัวเองยังเอาชนะตัวเองไม่ได้ราับนั้นมนุษย์ก็ต้องสแสวงหาที่พึ่งของอารมณ์และทางใจจากภายนอกอยู่ร่งไป สิ่งที่ทำให้บุคคลลำบากคือเดือดร้อนอยู่เสมอนั้นไม่ใช่สิ่งภายนอกหรืออื่นใดอันที่แท้มันคืออารมณ์ตัวอารมณ์ตัวซึ่งคอยรบเร้าเงางอดไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งเจ้าตัวพยายามเอาชนะแต่เอาชนะไม่ได้อารมณ์รักอารมณ์จางอารมณ์โกรธอารมณ์หลงคลุกเคล้าผสานอยู่ในกระแสทานแห่งชีวิต อันไหลเลื่อนไปอยู่มิขาดสายตาซึ่งน้อมไปในอารมณ์คือรูปที่สวยงามหูน้อมไปในเสียงอันไพเราะจมูกน้อมไปในกลิ่นที่หอมหวนลิ้นน้อมไปในรสอันอร่อยกายน้อมไปในสัมผัสอันนิ่มนวลชวนฝันเมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อน เมื่อได้แล้วก็สั่งรายงานมาให้จิตปั่นป่วนรวนเรไม่มีโอกาสได้หยุดย่อนผ่อนพักมันเป็นเสมือนบุคคลนำสัตว์ห้าชนิดมาผูกติดไว้กับตัวคืองูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกสัตว์เหล่านั้นต่างก็ปรารถนากระชากไปตามความต้องการของตนคืองูงูดึงไปในพงรก จะล๊อคดึงลงไปในน้ํานกดึงไปในอากาศสุนัขบ้านดึงไปในบ้านสุนัขจิ้งจอกดึงไปในป่าเมื่อเป็นดังนี้ลองคิดดูเถิดว่าบุคคลผู้นั้นจะลําบากสักปานใดต้องวิ่งวุ่นตามแรงดึงของสัตว์เหล่านั้นเมื่อใดเขาฝึกสัตว์เหล่านั้นให้เชื่องแล้วเขาก็จะมีอํานาจดึงสัตว์เหล่านั้นไปได้ตามปรารถนา วิเนตายังไม่ได้ชนะอารมณ์ตัวเธอยังคล่ำครวนหาอารมณ์อันเคยได้รับแล้วจากไปเธอนึกถึงความอบอุ่นและความชื่นสุขเมื่อคืนจันเพนภายใต้ท้องฟ้าอันโปรง่งใสนาริมสะใกล้ตำหนักก่อนอโกไปเพียงสามวันเมื่อเข้าโอบไหล่เธอด้วยความถนอมภาพนั้นยังติดตาเตือนใจเธออยู่ไม่อาจลืมได้ เจ้าชายสุสิมาคอยเอาใจวินเนตาประหวังในตัวเธอแต่ยิ่งเอาใจวินเนตาก็ยิ่งรำคาญมากขึ้นใจของเธอผูกพันอยู่กับชายคนหนึ่งเสียแล้วจะพอใจในการยกย่องเอาใจของอีกชายหนึ่งได้อย่างไรเธอเคยคิดว่าถ้าอโศกเอาอกเอาใจเธออย่างที่เจ้าชายสุสิมาทำเธอจะมีความสุขความชื่นบานหาน้อยไหม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 สิ่งที่ตนหวังนั้นจะเหมาะสมกับตนหรือไม่เขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญว่าสวยงามอันทุกคนปรารถนาและในความปรารถนาด้วยกันความปรารถนาของเขาควรจะประสบผลสาเร็จได้รับความตอบแทนก่อนความปรารถนาของใครหมดนี่คือความหลงผิดอันติดตามมาในชาติกาเนิดของมนุษย์ สืบต่อเป็นพันธุ ก, กรรมตลอดมาจนกว่าเมื่อใดเขาได้ศึกษาอบรมให้อย่างถ่องแท้ด้วยคุณธรรมคือความรู้จักประมาณความเสียสละความรู้จักให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะอันควรเมื่อนั้นเขาจะรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรแก่เขานอกจากนี้ถ้าความหวังนั้นเกี่ยวข้องด้วยมนุษย์ สิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกแล้วก็ยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นว่าความต้องการและความสุขของเราจะเป็นความต้องการและความสุขของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยหรือไม่ถ้าไม่คำนึงดังนี้ความสุขที่เข้าได้จะไม่ผิดอะไรกับการปล้นมันเป็นการปล้นความสุขของผู้อื่นอย่างชัดแจ้งแต่เนื่องจากมนุษย์คอยหลงตัวเอง อยู่ว่าตนเป็นคนสำคัญตนควรรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าดีงามเลิ่ลอยจึงทำให้มองข้ามความสำคัญของผู้อื่นและสิ่งที่ผู้อื่นควรได้รับเสียด้วยเหตุนี้เจ้าชายสุสีมะจึงนาตนเข้าไปเปรียบเทียบกับอโศกให้วิเนตาฟังอยู่เสมอเสมอว่าสำหรับวิเนตานั้นเลือกใครจะเหมาะสมแก่เธอที่สุดวิเนตา ข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านมีความเยื่อใยในอโศกมากอยู่วันหนึ่งสุสิมะพูดแต่ข้าพเจ้าก็มีความเยื่อใยและมีความหวังในท่านอยู่ไม่ใช่น้อยท่านไม่เห็นใจข้าพเจ้าบ้างเลยหรืออันหนึ่งเล่าเมื่อเทียบกันทางฐานนะอโศกนั้นเป็นเพียงราชบุตรจากพระเทวีซึ่งมีศักดิ์เสมอสนมแห่งพระบิดา ส่วนข้าพเจ้าเองเป็นถึงโอรสของพระอัคราเมเหสีเป็นมกุฎราชกุมารมีหวังอย่างเต็มที่ในรัชสมบัติแห่งแคว้นมคตอันเกรียงไกรเมื่อข้าพเจ้าครองราชเป็นราชาแห่งนครนี้แล้วตำแหน่งพระราชินีจอมนางแห่งแคว้นมคตจะเป็นอื่นไม่ได้คงตกแก่วิเนตาอย่างแน่นอน ขอบใจในความกรุณาของท่านวิเนตาตอบที่กรุณาคิดในทางเป็นมงคลและให้เกียรติข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการตำแหน่งราชินีแห่งแคว้นมาคตข้าพเจ้าต้องการอยู่อย่างธรรมดาอยู่อย่างเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นท่านเป็นคนแปลกสุสีมาพูดสตรีส่วนใหญ่มักจะทะเยอทยานในตำแหน่งอันมีเกียรติแห่งคู่ครองตน ท่านมิได้เป็นอย่างนั้นหรือไม่แปลกเลยวินิตาตอบคนเรามีความรู้สึกและความโน้มเอียงไม่เหมือนกันสิ่งอันเป็นที่ปรารถนารุนแรงของคนคนหนึ่งอาจไม่เป็นที่ต้องการเลยอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นจะนำความรู้สึกของคนอื่นมาเทียบกับความรู้สึกของข้าพเจ้าไม่ได้และทานองเดียวกันจะนาความรู้สึกของข้าพเจ้าไปเปรียบกับ ความรู้สึกของผู้อื่นก็ไม่ได้ความรู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปที่ใครจะคาดคะเนใจใครได้สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันในภายนอกมิใช่ว่าภายในจะเหมือนกันเสมอไปข้อที่ท่านพูดนั้นข้าพเจ้าก็เห็นสมอยู่แต่ข้าพเจ้าขอยืนยันในความเห็นของข้าพเจ้าว่าสตรีนั้นพอใจเธอเยอทะยานในตาแหน่ง และซับอยู่แต่สตรีที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกตามเป็นจริงมักปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกของตัวเองแม้แต่ตัวของข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อว่าท่านจะไม่ต้องการตำแหน่งและซับสมบัติข้าพเจ้าไม่ใช่เด็กแล้วนะที่ท่านจะลวงด้วยกลเพียงตื้นๆเท่านี้สุสีมาพูดแล้วก็ส่งยิ้มให้วิเนตาด้วยความพอใจวิเนตามิได้ตอบ เธอเบื่อหน้าไปอีกทางหนึ่งเสียซูซิมาเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านไม่พอใจข้าพเจ้าพูดความจริงสมแล้วที่โบราณท่านบอกว่าสตรีนั้นไม่ชอบฟังความจริงวินิธาหันขวับมาด้วยความรู้สึกไม่พอใจแต่พยายามระ ง, งับกิริยาอันไม่พอใจนั้นเสียพลางกล่าวห่วนหว่นว่าเมื่อท่านผู้ฉลาดทราบว่า สตรีไม่ชอบฟังความจริงแล้วท่านมัวกล่าวความจริงต่อสตรีอยู่ยัยเล่ามีอะไรที่เป็นเท็จก็จงกล่าวไปเถิดข้าพเจ้าอยากฟังเมื่อถูกเข้าแบบนี้สุสิมาก็นิ่งอึ้งไปไม่ทราบจะพูดประการใดต่อไปเขารู้สึกไม่พอใจแต่พยายามเก็บความไม่พอใจนั้นเสียเกรงจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของวิเนตาเกินไป ใจจริงแล้วอยากจะแสดงความฉลาดต่อไปอีกนี่หรือวิธีเกี้ยวหญิงของสุสิมะนี่หรือวิธีทำให้สตรีรักเขาจงโง่ต่อชีวิตเสียจริงๆไม่เรียนรู้เสียบ้างเลยว่ามนุษย์ต้องการอะไรใครเล่าต้องการให้มาพูดกรอกหูเขาว่าเขาเป็นคนไม่ชอบความจริงเขาต้องการความนิยมยกย่องจากคนทั้งหลายว่า เขาเป็นคนชอบความจริงพอใจในความยุติธรรมแม้พวกปล้นที่เที่ยวปล้นเขากินและคนที่ชอบโกงทั้งบ้านทั้งเมืองก็ต้องการให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าเขาเป็นคนมีศีลธรรมที่ทําไปนั้นทําไปเพื่อความยุติธรรมความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายนั้นแน่แล้วแต่คนที่พูดโดยไม่คํานึงถึงการละเทะมักจะตายเสมอ ตายก่อนที่ความจริงนั้นจะถูกเปิดเผยออกมาด้วยเหตุดังนี้ก่อนคนทั้งหลายจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จจึงมักเสียคนดีไปแล้วอย่างไม่มีวันดึงกลับมาได้พวกเรามนุษย์ทั้งหลายแม้จะได้เรียนรู้อะไรอะไรมากแล้ววิทยาการสาขาอื่นอนได้ก้าวหน้าไปไกลแล้วแต่พวกเรายังคงล้าหลังยังโง่ต่อเรื่องของชีวิต พวกเราพากันเพิกเฉยและมีท่าทีดูถูกเรื่องชีวิตมากเกินไปถ้าสุสิมาพูดใหม่ว่าวิเนตาความจริงข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าท่านเป็นคนเจียมตัวไม่ทะเยอทะยานในตำแหน่งและทรัพย์ผิดจากคนทั้งหลายอื่นข้าพเจ้าพูดเรื่องทรัพย์และตำแหน่งฐานะนั้นก็เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าตำแหน่งฐานะเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ ส่วนทรัพย์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายข้าพเจ้ารักท่านจึงอยากให้ท่านมีเกียรติและเครื่องอำนวยความสะดวกสบายสิ่งใดที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าก็อยากให้ท่านมีสิ่งนั้นด้วยอันนี้เป็นเพียงความปรารถนาของข้าพเจ้าซึ่งมีต่อคนที่ข้าพเจ้าใฝ่ปองแต่ถ้าวิเนตาไม่ต้องการสิ่งนี้ข้าพเจ้าก็พร้อมเสมอที่จะสละมันไป เพราะมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับข้าพเจ้าถ้าไม่มีวินตาอยู่ด้วยเพราะตำแหน่งฐานะเกียรติและทรัพย์ทั้งหลายนั้นมีค่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของวินตาเมื่อได้ยินคำนี้แม้วินตาจะยังไม่รักเพราะเธอมีใจผูกพันอยู่กับอโศกเสียแล้ว เธอก็คงไม่เกลียดกระมังคำพูดเป็นสิ่งสําคัญจงระวังวาจาอย่าพูดให้กระทบกระเทือนใจใครโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในทางดีลิ้นคนได้เชื้อดคอมามากแล้วหากยังพูดดีไม่ได้ก็อย่าพูดร้ายกับใครกล่าวคืออโศกเวลานั้นเขาทั้งเรียนและรักพร้อมๆกันไปเขารักโดยไม่ได้เสียการเรียน ความฉลาดเปลืองปราดของเขาเป็นที่รู้กันในสํานักตากศิลาเขาเป็นคนโปรดปรานของอาจารย์ที่สาปามโมกเป็นหนักหนาความไม่ถน o ตนความเสียสละความขยันหมั่นเพียรความเคารพ น, นอบน้อมต่อผู้เจริญด้วยวัยและโดยคุณธรรมร่วมกันส่งให้อโศกเป็นที่รักของเพื่อนเป็นที่เมตตากรุณาของอาจารย์ อาจารย์ที่สาปาโมกทราบว่าอโศกนั้นที่แท้คือราชโอรสแห่งพระเจ้าพินทุสารมีหวังในรัชสมบัติในอนาคตแต่เมื่อเข้ามาศึกษาโดยไม่ได้ต้องการให้ใครทราบถึงฐานะอันแท้จริงอาจารย์ก็ช่วยปิดความลับอันนั้นให้ด้วยเวลานั้นตักกะศิลารวมอยู่ในจกักรวรรดิแห่งแคว้นมะคตซึ่งปตาตลีบุตรเป็นราชธานี มีปรากฏอยู่เสมอแต่โบราณมาที่อาจารย์ได้ยกลูกสาวของตนให้แก่สิทธิที่เรียนดีและมีความประพฤติดีอาจารย์ของอโศก ค, คิดอยู่ว่าถ้าเขาทำตามโบราณประเพณีข้อนี้สักคนหนึ่งจะมีข้อเสียหายอะไรอโศกเป็นคนดีควรแก่การยกย่องช่วยอาจารย์ทํางานแทบทุกอย่างความสนิทสนมระหว่างอาโศกและสุมาณี ทิดาตนก็ดูออกจะมากอยู่พอควรธรรมดามารดาบิดาย่อมต้องการเห็นอนาคตของบุตรหรือบุตรีมั่นคงมีลู่ทางก้าวหน้าไปไกลก็อโศกดูลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปในภายหน้าถ้าเขาจะยกลูกสาวให้อโศกนอกจากจะเป็นรางวัลสำหรับสิทธิผู้เรียนดีแล้ว ยังจะเป็นการปลูกฝังบุตรให้มีอนาคตอันรุ่งเรืองสดใสอีกด้วยเรื่องนี้อาจารย์ที่สาปามโมกแอบคิดอยู่แต่ในใจเพียงคนเดียวและดังนั้นเขาจึงไม่ได้เกียตการห้ามปรามความสัมพันธ์ระหว่างอโศกและสุมาณีเลยวันหนึ่งเวลาสายชาลินีและชะโลทราชวนกันมาในเมืองตักกศิลาเพื่อซื้อของบางอย่าง เมื่อเสร็จแล้วชาลินีพูดเป็นเชิงชวนชโลธราแวะไปที่ตักกศิลาจะดีหรือชโลธราถามความเห็นเป็นเชิงขัดแย้งไปในตัวไม่น่าจะเสียหายอะไรชาลินีตอบเราเป็นผู้หญิงเข้าไปในที่อย่างนั้นอาจจะไม่เหมาะชะโลธราว่าในวัดผู้หญิงเขายังเข้าได้ ทำไมในสำนักศึกษาตะกศิลาเข้าไปไม่ได้ชาลินีพูดในวัดนั้นเขาเข้าไปหาพระนำของไปถวายพระก็ไม่เป็นไรนี่เราไปหาผู้ชายธรรมดาก็ไม่ดีกระมังชาโลทราออกความเห็นเมื่อไปหาผู้ชายธรรมดาไม่ได้จะไปหาพระได้อย่างไรกันชาลินีพูดทำไมชาโลทราถาม พระก็เป็นผู้ชายเหมือนกันเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นพระเมื่อเป็นพระแล้วความเป็นผู้ชายจะหายไปอย่างนั้นหรือแม้จะไม่หายไปแต่ท่านก็มีระเบียบวินัยมีข้อบังคับว่าถ้าอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ส่วนผู้ชายธรรมดาไม่มีข้อบังคับแล้วเขาจะทำอะไรเราชาลินีถามคงไม่มีอะไรเชโลทราตอบ ถ้าอย่างนั้นลองเดินเข้าไปดีกว่านี่ก็จวนถึงอยู่แล้วคนอื่นเขาเห็นคงคิดว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องชาลินีสรุปตกลงสองสาวเดินเข้าไปในสานักตากกซิลาเป็นเวลาจนเที่ยงเธอถามอโกศกศิคารินและสาสวรรัสดเมื่อทราบสถานที่แล้วจึงเดินเข้าไปชโลธรารู้สึกมีความสะทกสะท้านมากอยู่ เพราะเป็นคนไม่กล้าเหมือนชาลินีเธอเดินเข้าไปถึงตึกหลังเป็นตึกที่ก่อด้วยอิฐมีบริเวณกว้างรอบๆ บ, บริเวณนั้นมีไม้ดอกไม้ผลเรียงรายปลูกอย่างมีระเบียบกิ่งไหนควรตัดก็ตัดกิ่งไหนควรไว้ก็ตกแต่งอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเป็นพันไม้เตี้ยก็ได้รับการตกแต่งเป็นรูปต่างๆก็มี ชาลินีชี้ให้ชโลทราดูปรางกล่าวว่าดูสิต้นไม้เขายังตัดให้เป็นรูปต่างๆได้ทำไมคนเราจึงได้รับการอบรมศึกษาจะตัดไม่ได้เว้นแต่ตั้งใจจะตัดหรือไม่เท่านั้นเมื่อก้าวไปอีกนิดหนึ่ง ชาลินีและชโลธราก็มองเห็นอโศกนั่งอยู่กับสตรีสาวผู้หนึ่งบนขอนไม้ด้อนเดียวกันเธอทั้งสองทำท่าจะถอยหลังกลับแต่พอดีอโศกเงยหน้าขึ้นพอเห็นชโลธราเท่านั้นเขาสะดุ้งขึ้นทั้งตัวขยี้ตาตัวเองด้วยคิดว่าฝันไปไม่นึกเลยว่าสาวน้อยบ้านป่าจะมาถึงสำนักตะ ก, กศิลาเขารีบลุกขึ้นโดยไม่ได้นาพาต่อคู่สนทนาของตน ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเดินตรงมาที่หญิงสาวทั้งสองชโลธราคำแรกที่เขาพูดท่านมาอย่างไรนี่ข้าพเจ้าหมายถึงท่านมาได้อย่างไรก็มาอย่างที่ท่านเคยไปบ้านป่านั่นแหละชาลินีตอบยิ้มอยู่ในหน้าทำไมดูท่าทางตกใจมากหรือเมื่อเห็นพวกเราถ้าพวกเรามาขัดขวางความสุขของท่าน ที่จะสนทนาด้วยสตรีคนนั้นพวกเราก็ขอลาไปก่อนชาลินีอโศกเรียกชื่อชายตามามองชโลทาราอย่างวิงวอนท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอะไรเลยสตรีผู้นั้นเป็นที่ดาแห่งอาจารย์ของข้าพเจ้าเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็นั่งสนทนากันเพื่อหายเหนื่อยเท่านั้นเองมาเถอะมารู้จักกันว่าแล้วอโศกก็ชวนชาลินี และโชะโลธรามหาเจ้าของบ้านสุมาณีที่ดายแห่งอาจารย์ทิสาปาโมกยืนคอยอยู่แล้วเมื่อสตรีอคันตุ ก, กะทั้งสองทำความเคารพเธอก็ไหว้ตอบอย่างงามและยิ้มต้อนรับด้วยดวงหน้าอันเต็มไปด้วยไมยตรีอโศกได้แนะนำสุภาพสตรีทั้งสามให้รู้จักกันว่าใครคือใครแล้วจึงชวนไปนั่งน้มาม้หินอ่อนใต้ร่มไม้ อีกครู่หนึ่งศิการินและาศาสวัตรจึงหอบของผารุงผารังมาด้วยสามหนุ่มสามสาวจึงสนทนากันอย่างเป็นกันเองและสนุกสนานเมื่อได้เวลาพอสมควรหญิงสาวบ้านป่าทั้งสองจึงลา ก, กลับไม่ลืมขอบคุณสุมาณีซึ่งให้ความเป็นกันเองแก่เธอทั้งสองพร้อมขอเชิญไปเที่ยวบ้านป่าถ้ามีเวลาว่างพอไปได้ อโศกและสิครินไปส่งหญิงทั้งสองตลอดเวลาที่เดินกลับชโลธรางเงียบคลึมไม่ค่อยพูดจาเสียเลยใครเล่าจะล่วงรู้ความรู้สึกของเธอนอกจากตัวเธอเองว่าเป็นประการใดบัดนี้เธอได้ยอมรับตัวเองแล้วว่าเธอรักอโศกเมื่อได้เห็นภาพอโศกนั่งอยู่บนขอนไม้เดียวกันกับสุภาพสตรีอีกผู้หนึ่ง ซึ่งมิใช่เธอท่าทางที่สนทนาดูสนิทกันมากอยู่เธอก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เชิงพิศวาสกันก็ได้ชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนั้นมันก็เหมือนน้ำมันและอัคคีไฟหรือจะไม่รามเลียเชื้อเพลิงที่วางอยู่ใกล้เมื่อคิดมาถึงตอนนี้เธอรู้สึกเสียวาบที่หัวใจ มืออ่อนเท้าอ่อนเหมือนจะเดินไม่ไหวอีกต่อไปมืออ่อนเท้าอ่อนเหมือนจะเดินต่อไปอีกไม่ไหวแต่ก็พยายามแข็งใจเดินไปเธอนึกถึงคำพูดของพ่อที่เคยสอนว่าต้องเป็นคนเข้มแข็งอดทนอย่าแสดงความอ่อนแอหรือท้อถอยง่ายเกินไปเมื่อเหน็ดเหนื่อยเธอก็ขอพักใต้ร่มไม้ใบนาทั้งสามคือชาลินี สิครินและอโศกสนทนากันเรื่อยๆชโลทราเป็นผู้ฟังความจริงโดยปกติเป็นผู้ชอบฟังมากกว่าอยู่แล้วอโศกชาลินีพูดตอนหนึ่งแห่งการสนทนาสุมาณีสวยท่าทางเอาใจใส่ท่านมากท่านไม่ได้ชอบเขาหรือชอบอโศกตอบเธอดีต่อข้าพเจ้ามาก แต่ก็ชอบกันอย่างผานเพื่อนไม่มีอะไรพิเศษอยู่ใกล้กันอย่างนี้อีกหน่อยก็มีอะไรพิเศษเองเวลานี้ท่านชอบต่อไปท่านอาจจะรักชาลินีอโศกพูดอย่างโกรธข้าพเจ้าอาภัยให้ท่านครั้งหนึ่งก่อนในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนรักของชโลธาราต่อไปท่านพูดอย่างนี้อีกข้าพเจ้าจะเลิกคบท่าน และถ้าท่านเป็นชายพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าจะสั่งสอนให้เจ็บตัวเพื่อท่านจะได้ระวังวาจาของท่านไว้บ้างท่านพูดเป็นเชิงหมิ่นข้าพเจ้าว่าอยู่ใกล้ใครก็รักคนนั้นเหมือนไฟอดลามเลียเชื้อเพลิงไม่ได้ความจริงข้าพเจ้าเป็นคนรักยากเมื่อบอกว่ารักใครแล้วก็รักจริงๆและขอรักจนวันตาย ชาลินีได้ยินดังนั้นตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นอโศกโกรธอย่างนี้เลยชโลทราและสิครินก็พลอยตกใจไปด้วยสิครินนั้นรู้จักนิสัยอโศกดีอยู่เพราะเคยอยู่ร่วมกันมานานเมื่อรวบรวมสตรีได้แล้วชาลินีจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขออภัยท่านด้วยที่กล่าวคาซึ่งท่านอาจไม่พอใจ ที่กล่าวคำซึ่งท่านไม่พอใจฟังข้าพเจ้ากล่าวตามประษาซื่อโดยคำนึงถึงหลักทั่วๆไปเป็นที่ตั้งไม่ได้เฉลียวว่าอาจจะมีบุคคลบางคนที่ควรได้รับการยกเว้นจากหลักทั่วๆไปในบุคคลจำพวกนั้นมีท่านรวมอยู่ด้วยผู้หนึ่งอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังคำพูดของท่านทํานองนี้ ข้าพเจ้ายินดีสําหรับเพื่อนหญิงของข้าพเจ้าชโลธราขอชโลทราจําคําพูดของอโศกไว้ด้วยโดยเฉพาะตอนที่ว่าเมื่อบอกรักใครแล้วก็จะรักจริงๆและขอรักจนวันตายจวนข้ามแล้วทั้งสี่จึงได้มาถึงบ้านป่าสีเขรินแยกไปส่งชาลินีส่วนอโศกและชะโลธรามาถึงบ้านแล้ว ชวนการนั่งพักใต้ซุ้มต้นเฟืองชวนกานนั่งพักใต้ซุ้มต้นเฟืองฟ้าชโรทรามีท่าทางหม่นหมองเล็กน้อยภาพที่อโศกนั่งสนทนากับสุมาณีอย่างใกล้ชิดยังเป็นภาพติดตาเตือนใจของเธออยู่พยายามห้ามมิให้คิดฟุ้งซ่านมากไปแต่ก็ห้ามไม่ค่อยสำเร็จเรื่องของความรู้สึกทางใจเป็นเรื่องที่รู้กันยากพูดกันยาก เธอคิดเปรียบเทียบตัวเธอเองกับสุมาณีที่ดาสาวของอาจารย์ทิสาปามโมกแล้วให้หวันไหว ย, ยิ่งนักเธอไม่เชื่อว่าเธอจะมีอะไรเหนือกว่าสุมาณีเธอเชื่อว่าอาโศกรักเธอแต่ทางฝ่ายโน้นเธอจะเชื่อได้อย่างไรว่าอาโศกจะไม่รักด้วยความรักเป็นเรื่องยุ่งมิรู้จักจบเมื่อยังไม่มีคนส่วนใหญ่ก็พยายามแสวงหาหัวใจของคนเป็นอันมาก ว้าเวคล่ำครวนหาความรักเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจเมื่อได้มาแล้วก็ลำบากในการคุ้มครองรักษาความรักให้คงที่รวมแล้วเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากไม่มีที่สิ้นสุดเชโลทราท่านไม่สบายใจหรืออโศกพูดโอบไหลของนางด้วยความถนอมไม่มีอะไรชโลทราตอบ เดินทางนานๆครั้งเหนื่อยไปเหนื่อยไปหน่อยเท่านั้นเองดูท่าทีท่านไม่ค่อยมั่นใจในความรักของข้าพเจ้าอโศกพูดก็มีบ้างชโลธรารับท่านก็น่าจะทราบว่าสตรีนั้นมักกระแวงทำไมเรื่องสุมาณีนะ่ะหรือท่านไม่มีอะไรกับสุมาณีหรือชโลธราถาม ไม่มีอโศกยืนยันไม่มีจริงๆทั้งสองนิ่งกันไปครู่หนึ่งดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูร่วงพลูลงมาด้วยแรงลมแต่เขาไม่ได้สนใจมันเลยเขาคิดต่างคนต่างคิดอโศกดึงแขนหญิงสาวให้ลุกขึ้นสวมกอดแต่เบาๆเพรียนาลงบนใบหน้าของสาวน้อยบ้านป่าแล้วพูดว่าชโลทารา ข้าพเจ้าขอยืนยันในความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านเวลาสามปีไม่ใช่เล็กน้อยมันมากพอที่จะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเมื่อพูดถึงเรื่องการอยู่และการจากไปเหลือเวลาอีกสามเดือนเท่านั้นที่ข้าพเจ้าจะต้องจากตากาิลาไปแต่แต่ตากาิลาและปาตาลีบุตรเวลานี้เป็นจักรวรรดิเดียวกัน ข้าพเจ้าจะไม่ลืมท่านเป็นอันขาดในชีวิตท่านเป็นผู้สอนข้าพเจ้าให้รู้จักค่าแห่งความรักแท้ว่าเป็นอย่างไรนุ่มนวลอ่อนหวานเพียงใดคงไม่นานนักข้าพเจ้าจะมารับท่านไปสู่นครปาตาลีบุตรพร้อมๆกับที่ศีครินรับชาลินีไปเมื่อพูดถึงการจากชาโลทราก็เศร้าสลดลงเธอไม่เคยกับการจาก อีกสามเดือนสเดือนเท่านั้นหรือที่เธอจะต้องว้าเวและเดียวดายต่อไปในที่สุดเธอต้องพบความจริงแห่งชีวิตว่าชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดเธอจะต้องประสบกับสิ่งที่เธอกลัววันกลัวไม่ใช่เพียงแต่ชะโลธราเท่านั้นสตรีทั่วทุกคนทั่วโลก กลัวต่อการพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักชีวิตอนิจจาชีวิตชีวิตเป็นอย่างนี้เอง